ในพระวินัยนักธรรมชั้นตรีม้วนที่สิบสี่โดยพระอาจารย์บุญมีจันทูปโมวันนี้เรามาพบกันอีกในด้านพระวินัยนักธรรมชั้นตรีในรัตนาวัตรที่เก้ารัตนาวัตรที่ 9, เก้ามีทั้งหมดสิบสิกขาบทด้วยกันอสิบสิกขาบทนั้นเราก็จะต้องท่อง แต่ลัศึิษาบทนั้นให้ม่นยำขึ้นใจเอาไว้เพราะว่าเป็นหลักที่สำคัญที่เราจะต้องท่องเอาไว้ให้แม่นโดยเฉพาะ อ, อย่างริ่งรัตนวัคที่เก้านี้เป็นเป็นวัคสุดท้ายในปาจิติกันซึ่งก็มีความสำคัญในวัส ค, ว ส, คววสุดท้ายมีความสำคัญมากวัคต้นกับวัคสุดท้ายมีความสำคัญเพราะเป็นวัคที่อยู่หน้ากับอยู่หลัง ฉะนั้นเราจะต้องท่องเอให้แน่นยําขึ้นใจเอาไว้ถ้าเกิด เ, เวลาออกข้อสอบหรือเวลาเข้าสอบนั้นเข้าอ้างอปีขาบทอ้างหลักฐานมาถ้าอ้างในระดับนวัต ก, ก็เป็นใหญ่ก็จะอ้างวักต้นกับวักท้ายเป็นวักที่ค่อนข้างจะอ้างมากกว่าวักอื่นๆเราก็จะทําให้ตอบได้อย่างแน่นยำ้ำ นั้นก็ต้องข้อให้เพื่อนสาธม้ได้ท่องจำไว้ให้แม่นยําเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะต้องเอาไปใช้และก็เอาไปเพื่ อ, อสอบในคราวที่เราจะต้องเข้าสอบอ่าเราตระหัว่าที่ว่ามีสิทธิ์สืบทนั้นสิกคาบที่หนึ่งทีสุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่ พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับพระมเหสีต้องปาจิตตีสองที่เสด็จเห็นเครื่องบริโภคของกษัตริย์ตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดีให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตตีเร้นไว้แต่ของนั้นตกอยู่ในวัดเร้นในที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกกฏ สามพิสุไม่บอกลาพิสุอื่นที่เลวอยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลต้องฝ่าจิตตีเล่นไว้แต่การด่วนสี่พิสุัำกล่องเข็มเลือนกระดูกก็ดีเลื่นนาก็ดีเลื่อเขาก็ดีต้องฝ่าจิตตีต้องปล่อยกลองนั้นจะก่อนจึงจ ะ, สะแสดงอบับตะกกห้าพิสุทำเตียงหรือตั่ง พิณทําให้เลือเท้าเพียงแปดนี้พระสุคตเว้นไว้แต่เมฆแค่ถ้าทําให้เกินกำหนดนี้ต้องฟาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงจะแสดงอบัตตกหกที่สืทําตียงหรือตังคุ้มนุ่นต้องฟังจิตตีต้องเรียกเสีก่อนจึงแสดงอบัตตกเจ็ดทีสือทำผ้าปูนั่งพิณทาให้ได้ประมาณ ประมาณนั้นยาวสองคืบ่งพระสุคตกว้างครึค่งครึชายครึค่งหนึ่งถ้าทําให้เกินกาหนดหรือต้องฝาจิตติต้องตทำให้ได้ประมาณเช่นก่อนจึงจะแสดงอบัติตกแปดให้ปู่ทำผ้านุ่งติดแผลพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสี่คืบพระสุคตกว้างสองคืบ ถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเช่ ก, ก่อนจึงสแสดงอบัตโต๊ะเก้าที่สุทำผ้าอาบน้ําฝนพึงทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวหกขื้พระสุคต์กว้างสองขึ้นคึ่งถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเช่ ก, ก่อนจึงสแสดงอบัตโต๊ะและสิบที่สุทํา จีวรให้เท่าจีวรของพระสุคตก็ดีเกินกว่านั้นก็ดีต้องปาจิตตีประมาณจีวรสุคต น, นยาวสี่เอยาวเ้าคื้อพระสุคตกว้างหกคือต้องตัดแท้ประมาณแค่ก่อนจึงแสดงอามัตตกนี่ก็สิข้อสิทิกิขาบทด้วยกันแ้เราก็มาเรียนแต่ละสิขาบทแต่ละสิขาบทว่ามีอธิบายอย่างไร เพื่อความเข้าใจต่อไปอาทีาบทที่หนึ่งที่ว่าซึกโซไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จอยู่กับพระมเหสีต้งฝ่ายจิตตีอาความหมายของพระเจ้าแผ่นดินอาความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเต็นที่ย่อมเสด็จด้วยได้ทําพิธีเอ่อยกวันหลังแล้วบนพระเศียรหรือลุ่ยให้สงสนานทั่วพระองค์ตั้งแต่พระเศียรลงมา อย่างไบโยนึ่งเรียกกันว่ามุมรธาพิเศอคืออัพิเศกมุราพิเศกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองเรือ น, นนนท์นะใหม่ถึงในสมัยครั้งพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ในสิกขาบทนี้ไม่กล่าวถึงว่ารันรนาอรรตันนาว่าคือว่าคือว่าด้วยรัตตันนขึ้นเป็นบทแรกเป็นสิกขาบทแรกว่ารตันนารัตนนันาคืออะไรวรรตนนันนาแปลว่าแก้ว นะรัตตนะช่วยรัตนะไตรก็คือว่าแก้วสามประการรัตรนะช่วเฉยนั้นแปลว่าแก็ซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างนะี่บาลีเนงิษาบทนี้หมายคำว่ารัตนะนั้นหมายเอาพระมเหสีของพระราชาว่าเป็นรตันตนะเพราะพระมเหสีเป็นคู่ควรแก่พระราชาเพราะฉะนั้นการเข้าห้องซึ่งเรียกกันว่าตำหนักเป็นที่ปกระทมนั้นโดยที่สุดน้อยยงดี ม, มาก ต้องได้รับอนุญาตก่อนถ้าไม่รับอนุญาตก่อนผามหลักเเอรับบาลประตูอต้องคือบานประตูเข้าไปต้องฝ่ายจิตตีอันนี้ก็คงจะต้องอาบาดัดไม่ยากสําหรับในปัจจุบันเพราะว่าการที่จะเข้าไปคืสู่ที่ประทุมของพระจเจดียนดินคือเข้าไปสู่ในพระเจรังนั้นก็ไม่ใช่เข้าไปโดยง่ายจะต้องได้รับ เอาราธนาและก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นพระที่เป็นพระผู้ใหญ่แต่ก็ต้องได้รับอาราธนาจึงจะสามารถเข้าไปได้จะทำไมข้าพุตธกาลนั้นพระเข้าไปในพระราชวังหรือเข้าไปอในสถานที่พร ะ, พะเจ้าปผ่ดินเสด็จประทับอยู่ได้โดยสะดวกสบายในต้นเรื่องหรือต้นบรรดานั้นก็เกี่ยวกับพระอนุนอที่ได้รับอาราธนาให้ไปแสดงธรรมะ ในพระราชวังก็ในคราวที่ได้ไปแสดงธรรมะนั้นก็พอดีว่าพ ร, ราำญาติเดินกับมเหสีเปรตที่โกศลที่โกศล ร, รับซึ่งในเมืองสมาธิเป็นเมืองหลวงนั้นก็กำลังประทับอยู่ฟอราะ่ามเหสีมังมาริกาเทวี TV. ได้เห็นพระอนนท์มาแตกไกลก็ได้เสด็จแอดลุกขึ้นในการที่จะต้อนรับพระอนน์ ก็พอดีเราฟูสาซึ่งเป็นผ้าที่ใช้อยู่เป็นผ้าเลื่นก็เลยลึกถ้านอนเห็นแบบนั้ น, นก็จึงได้กลับทันทีลกลับทันทีพ่อหลังได้ทราบถึงพระพิบีระตภาคก็จึงบัญญัติห้ามไม่ให้พิสุขเข้าไปในห้องที่พระยอดจดินประทับอยู่กับมเหสีถ้าเข้าไปก็เป็นฝ่ายเสตีซึ่งอันนี้ก็เป็นเศษสิขบข้อบทหนึ่งซึ่งมีอยู่เราก็ศึกษาพอเข้าใจตามสมควร แต่ว่าจะต้องอังบบัตในสีข่ขาบที่หนึ่งคงจะยากในปัจจุบันนี้คงทำไม่ได้แล้วคงไม่มีโอกาสที่จะทําแต่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นอับบัตในสีข่ขาบที่หนึ่งแล้วแต่ตไปสีข่ขาบที่สองเพราะว่าที่ตเหตเครื่องดโดยิโพของคณะสับตกอยู่ก็ถือเอามันของเก็บได้เองก็ดีให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีต้องไปเจตีเล่ไนไว้แต่ของนั้นตกอยู่ในวัดหรือไม่ที่อาศัยต้องเก็บไปให้แกเจ้าของถ้าไม้เก็บต้องทุกกด ลัพทณ์ในอันข้อสองนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนกันมาเป็นลักษณะคือแก้วแต่แก้วในข้อสองไม่ไหมายถึงไม่เห็สีของมันจะเป็นดินมนเหมือนข้อหนึ่งรักนะได้ในสิกฐานแบบที่สองดได้แก่งเงินทองและเพชรพลอยต่งางๆของที่สมมุติว่าเป็นลักษณะนั้นคือไม่ใช่ของที่เป็นตัวลักษณะแท้เป็นของทำเทียมเช่นของรูปพัรร์อัญชุลทองเองินและเครื่องประดับเช่นฝังปลอยหู หมายความตลอดถึงมือเครื่องใช้สอยของคนทั่วไปอาลักษณะแห่งอาบัต้น น, นักว่าัฒนธรรมบ้านหมื่งลยบัดนี้เมื่อเก็บของตกได้ก็ต้องเอาไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในกองรักษ า, านนที่เสืฝ่าฝืนสิท้าบุตรนี้ต้องฝ่ายเจตีในอัตถกาลเราว่าถ้าของนั้นเป็นริสกียวัตถุคือต้องอาบัตในสกิียะฝ่ายเจตีเนี่ยถ้าของจะนั้นตกอยู่ในวัดในที่อยู่ก็ดีในที่ฝากก็ดาก็ตาม ไม่เก็บไว้หายไปไม่เป็นความดีงามแก่เจ้าของถิ่นอาถูกสงสัยว่าเอาเสียแล้วก็ได้เึนส่งอนุญาตให้เก็บไว้ให้เจ้าของอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องที่ดีงามที่อ่าภิกษุเอมื่อเห็นแล้วก็ควรจะเก็บไว้ให้เจ้าของเพื่อเจ้าของก็จะได้มารับซื้อไปแต่ถ้าหากว่าถือาว่าเป็นของที่เขาทาตกแล้วก็เก็บเอาเนยเขามาทำลืมว่ก็ถืเป็น หรือว่ามาทิงเอาไว้ในที่อยู่ของเราเนี่ยก็ถือเป็นของเก็บได้นั้นไม่เหมาะสมเพราะว่าอาจจะเป็นการให้กล่าวหาในภายหลังว่ า, อ, าอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ดันั้นก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาสิ่งของเหล่านั้นควรที่จะเก็บไว้ให้เจ้า ข, ของนอกจากนั้น เ, เปนของ ท, ที่เป็นวัตถุอนามาคือวิสูจจับต้องไม่ได้เช่นอทองเองนินนี่ธรรมบาริสูจจับต้องไม่ได้ ก็เป็นวัตถุอนามาจะต้องเป็นอับัตทุกกฎแต่ถ้าหากว่าเกิดผู้ใดใครผู้หนึ่งมาทําลืมไว้ในวัดเนี่ยนะมาทำลืมไว้ในวัดและลืมไว้ในกุฏิที่เราอยู่อาศัยเมื่อเห็นแล้วทรงอนญาตให้เก็บให้จับต้องสิ่งเหล่านั้นได้คือให้จับต้องเงินทองเหล่านั้นได้แต่ให้จับเก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขา mm hmm. เมื่อเจ้าของเข้ามาก็จะให้ของให้ของนั้นไปอย่างนี้อไม่เป็นอบัตเนี่ย คืนให้จักต้องได้แต่ตามธรรมดาเงินทองต่างๆนั่นเป็นวัตถุอนามัตยนะ ต, ต่อไปสิขาบทที่สามว่าอาพิสุ์ไม่บอกลาพิสุท์อื่นที่มี้อยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิการต้องปฏิติยนไวแต่การด่วนข้อความที่ควรกำหนดในข้อในสิขาบทนี้ก็คือเวลาวิการเวลาวิการนั้นหมายเอาอย่างไร ลถ้าพิจาแณาหน่าจะหมายถึงเวลาคำ่ำแต่ว่ามีในคำพูดวิพังได้แก่ ว, ว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วจนจึอารมณ์ขึ้นวันใหม่เรียกว่าวิกาณเนี่ยเือนกับที่กล่าวไว้ในปีขาบทที่เกี่ยวกับข้ามทานอาหารในเวลาวิกาณในฟูชนะว่า น, นั้นคำว่าวิกาณก็พอได้ความตามม า, ม า, มาในวิพังแล้วว่าในคำพูดวิพังแล้วว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงอารมณ์ขึ้นวันใหม่ชื่อว่าเวลาวิกาณ นักศึกษาที่จะเข้าบ้านในเวลาวิกาานั้นจะต้องบอกลาศิึกษาที่มรอยู่ในวัดก่อนจะหลอกศิษย์ได้เรื่องหนึ่งก็ได้แต่ทางที่ถูกนั้นก็ควรจะบอกผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเนะี่ยเจ้าอาวาสนั้นเป็นผู้ปกครองนะเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อพระสงฆ์สมณีนในวัดก็ควรจะบอกเจ้าอาวาสหรือเมื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็อบอกรองเจ้าอาวาสหรือเมื่ยรองเจ้าอาวาสมาอยู่ก็อบอกผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือเมื่อผู้ช่วยเจ้าวาดมาอยู่ก็บอกพิสุรูปใดรุ่หนึ่งที่อยู่ในวัดก่อนก็ได้แล้วจึงเข้าไปในบ้านในเวลาวิการข้อนี้หมายถึงพิกสุเอที่อยู่ในวัดทุกรุ่อเจ้าอาวาสเมื่อเข้าไปในบ้านในเวลาวิการก็ต้องบอกพิสุรองหรือมาหรือพิสุรุษใดรุ่นหนึ่งก็ได้นะคือก็ต้องบอกนะถ้าไม่บอกฉันเล่าว่าจะเข้าไปในบ้านในเวลาวิการเนี่ยไม่บอกใครเข้าไปเฉยอย่างเงี้ย ก็เป็นป่าเฉลี่ยเนกันไม่มีการยกเว้นมาเป็นเจ้าวาดนั้นจะต้องบอกลาผู้ือที่อยู่ในวัดเนื่องจาตามพระบิดาก่อนนั้นไม่ไม่จําเป็นไม่มีคือนั้นเป็นเจ้าวาดคนนี้เป็นเจ้าอะไรเป็นสังกาดติการหรือเป็นเจ้าคณะตำบลอำเภออะไรเป็นหว่าที่้ถือที่อยู่ด้วยกันนั้นผู้มีความสามารถกว่าก็นับถือกันตามถดถังศาสน์เท่านั้นเพราะนั้นผู้ถจะอยู่ระดับไหนจะเป็นเจ้าวาดจะเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ จะเข้าบ้านในเวลาวิกาลก็จะต้องบอกลาผู้ศึกษที่อยู่ในบ้านก่อนนะจึงจะเข้าไปในบ้านได้แต่ถ้ามาย่างนั้นก็เป็นเป็นอาบัาดปายสิบปีเอ่อเป็นอาบัาดปาจิบปีสําหรับผู้ศึกษาผู้เป็นนักวากาหรือเป็นมัชชินะธรรมดาที่ยัื่องภาษาน้อยก็ไม่เท่าไหร่แต่วนะ่าพระผู้ใหญ่เป็นระบาดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ลเกเปียดที่เหมือนกันนะเข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลนะครับไม่ขนาดว่าได้ เดือดมามีความสามารถจนได้มีคนรับถือรับย่องมากแต่ว่าไปละเมิดสิทธิไหนเข้าก็เป็นสิ่สงที่น่าเกลียดมากกว่าที่สุดคู่คู้น้อยน้าเรื่องอาบัติก็เท่ากันเล่นน้อยแต่การด่วนไม่บอกเว้นว้แต่การด่ว น, นวต้าน เ, น, ตนเดือ น, นไม่มีตัวอย่างเอด้านกล่าวไว้เช่นที่สุดผูกกักไม่เหตุอย่างอื่นเช่นทีสุดอาพาธอันจะถือความสิ้นชีวิตได้โดยเร็ว จะรีบเข้าไปหายาหรือตามหมอหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นข้างวัดจะรีบไปพาคนมาช่วยอะไรก็สงเค้าเข้าในการด่วนไม่ได้หมายว่าเมื่อมีเหตุบ่วนจริงๆ เ, เหตุด่วนจริงๆเกี่ยวกับที่สุที่ถูกูกัดหรือถูกสัตว์ร้ายกัดหรือเป็นอันตรายเ อ, อตกลงมาจากตึ้งหรือ ไ, ไฟไม่อะไรก็แล้วแต่แหละเกิดอันตรายในการที่จะช่วยเหลือกันอย่างไงอันนี้รีบไป โดยไม่ได้บอกท่านก็บอกว่าไม่เห็นอันบาิอะไรเพราะว่าจําเป็นต้องรีบด่วนในการที่จะตกไปแม้เกิดอื่นๆที่ควรจะอยู่ก็ควรที่จะได้รับการยกเง้นก็มีได้เหมือนกันที่ว่ารีบด่วนก็แล้วกันเอข้อยกเว้นที่เศษอันนี้ก็แค่นมราที่จะอยู่รีบเดียวไม่มีที่อื่นอยู่เลยว่าอันนี้ไปได้เลยจะมาโรงพยาบลแห่งนี้โดยเฉพาะในชนบท ทีอห่างไกลจากความเจญนั้นบางทีก็วัดหนึ่งวัดหนึ่งมันดีก็มีอยู่พระองค์เดียวกับสมเด็จมันบาีก็องค์เดียวไม่มีสมเด็จอยู่เลยมีือในตาเฝ้าวัดอยู่เลื่อนทั่วไปในชนบทบ้านนอกมักจะมีวัดหลวงมากกว่าในในในในเมืองในเมืองเช่นในกรุงเทพวัดหลวงไม่มีไม่เท่าไหร่แต่วัดบ้านนอกนั้นวัดหลวงมีเยอะ ที่ว่าวัดห ล, ลืองเยอก็คือวัดหลวงศิาลาในวัดหลวงศาวาเฝ้าวัดกันเยอะแยะมากมายแล้วเกิดเรือเรืเดียวจะเข้าบ้านนะไม่มีใครที่จะรับบอกก็เข้าไปเลยได้อันนี้ก็มีอนุญาตพิเศษเพราะไม่มีใครจะบอกอย่างเงี้ยนะนีเ่เข้าในเวลาวิการอาถ้าหากว่าเราได้ลาใสรแล้วหรือประก آ, آ, าศอาการด่วนเช่นกล่าวมาแล้วนั่นไม่เป็นอาบัติเดินไปนำทางอันผ่านบ้านไม่เลย แล้วก็ไปสูวารามอื่นอันนี้ก็ไม่ห้ามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับการเข้าไปในบ้านในเวลาเวลากัอข้อนี้เดี๋ยวบางท่านจะเข้าใจผิดว่าบอ้ว่าการยกเว้นเมื่อได้รับอาในสงพรนศาหรืออาในสง์กระถิน่นอาจจะเข้าใจผิดว่าไปไม่ต้องบอกลาก็ได้เอออันนี้จริงๆ้วข้อนี้ไม่ได้มีการครับ ไ, ไม่ได้มีการยกเว้นเลยซึ่งไม่มีตอนไหนบอกว่าเว้นแล้วจะได้แต่ เ, ด, งงเด็อย่างนั้นเล่นไม่ได้ยังไม่มี อที่มีก็คือสีขาวบนที่หกแห่เจดีะละครวัดเวลาไปไหนไม่ต้องบอกลาตามสีขาวบนที่หกแหเจนีละครวันั้นอันนั้นหมอยจะเปการเข้าบ้านนะเมื่องการับรมมนิมนต์เรื่องเคยเข้ า, าไอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก่อนฉันก็ดีหลังฉันก็ดีเนี่ยจะเข้าไปในบ้านหรือจะไปที่อื่นนั้นเอไม่ได้ถ้าไม่รับอนุสวงถ้ารับอนุสวงแล้วท่านยกเล่นใ ห, เนให้เกี่ยวกับเรื่องการรับนิมนต์แล้วจะเข้าบ้านหรือจะไปที่อื่นก่อนหลังฉันเนี่ย อไม่ได้เนอัอนั้นเกี่ยวกับสิขาบทอื่นไม่ใช่สิขาบทนี้นสิขาบทนี้ไม่มีการยกเว้นฉะนั้นจะเข้าบ้านในกรณีการนั้นจะต้องได้รับการบอกลาเสมอแลไม่มีการยกเว้นเลยในสิขาบทนี้ก็เพิ่งทราบว่าอที่เราได้อันดับสองกตินั้นไม่ใช่สิขาบทนี้เป็นสิขาบทที่หกแหเจนละครว่าซึ่งเกี่ยวกับการเข้าบ้านที่แตกต่างกันจากสิขาบทนี้อันเข้าในการคือรับในมนแล้ว จะไปที่ไหนอะไรต่ออะไรก่อนฉันหรือหลังฉันต้องบอกลาอานนูนไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีการนะนั้นสีข่ขาบทนี้เป็นดีการคือเลยเที่ยงไปแล้วต่อไปสีกขาบด ท, ที่สีว่าพิสุทธิ์ทำกล่องเข็มเมื่อกนกระดูกก็ดีเลื่อนหน้าก็ดีเลื่อเขาก็ดีต้องกางจรจะตีต้องต่อยเอ่อขอกลองนั้นเสียก่อนจึงแสดงอบัตตกเนี่ยอันเหตุบัญญัติสีข่ขาบดนี้ก็ประการที่หนึ่งคือพิสุทธิเกิดเล่นกล่อง ลองเข้มกันขึ้นเพราะเป็นการรบกวนช่างกลิกให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้จึงทรงห้ามประการที่สองธรรมบาริเสือต้องใช้ของที่สร้างวงไม่หรูอราจนเกินกว่าพอดีนี่นนี่จึงไม่ให้ทำสิ่งของเหล่านี้ด้วยนาด้วยกระดูกด้วยงาด้วยเขาด้วยเข า, นะขาปาจิตีในข้อนี้เรียกว่าเพทนากะปาจิตี เพยนกะปาจิตเตะหมายความว่าอย่างไรหมายว่ามปาจิตเตะที่จะต้องต่อยสิ่งนั้นก่อนทําลายสิ่งนั้นก่อนยึงแสดงอาบัตตกก็มีสีขาบทเดียวนะมีมีลายสีขาบทนี้บทเดียวเท่านั้นที่เป็นเพย์นกะปาจิตเตะคือปาจะดเตที่จะต้องล่อยสิ่งของเหล่านั้นก่อนยิงแสดงอาบัติตกนี่ของนั้นบอกว่าให้ทําเองเป็นปาจิตเตะนะต้องต่ยกลองเข็ม น, นั้นให้แตกก่อนยึงแสดงอาบัติได้ปาจิตเตะลื้อ ก็ได้กล่าวแล้วเป็นเคล็ ก, กลับไปตีลูกสีข่ข า, าเดียวเท่านั้นเองนี้ต้องห้าวันด้กลองเข็นนั้นเช่นน้นอันคนอื่นทําไว้แล้วมาใช้สอยอันนี้ต้องถูกกฎนะขา อ, อื่นมีลูกเบนเซนต้นท่านอนุญาตแต่ทําขึ้นอะไรเวลาที่เล่นที่ ห, หา ก, การอันโลตามสิข่ขาบทบรรยัติต้นมันอย่างอันนี้ก็คงไม่พ้นจากบาทถกกฎเหมือนกันอันนั้นนยะ เออเอากรณีกรณีงาก็รีเขากกรณีเนี่ยทาอย่างอื่นนอกจากกรองเข็มท่านอนุญาตให้ทําได้เกณฑ์ทำลูกบุญยุกอะไรก็ทําได้จะมีอยู่ในอพิสมัยจารจาสิถาบทในหลักสูตรและธรรมเช่นโทอันนั้นก็เ อ, อนุญาตให้ทําอย่างอื่นได้แต่ว่าถ้าไม่กรองเข็มนั้นไม่ได้เราพิสูจน์เล่นการสนุกสนานกันซึ่งเป็นการเฮฮาสนุกสนานกันพักในเหมือนกับ ในเมลนไทยเราเรียกยมว่านในคราวหนึ่งก็ต่างก็ลงหลงไหลว่านต่างๆอว่านที่มีราคาเยอะแยะ่ก็เกิดมีลักมีขโมยมีซื้อขายกันราคาแพงๆแต่มาภาหลังก็เรื่องนั้นก็สงลบลงไปคือไม่มีอะไรไม่มีันเรียกว่าก็ไม่มีความนมยมอะไรกันเกิดขึ้นอีกว่างเข็นของพระก็เช่นเดียวกันก็อาจจะมีสมัยหนึ่งที่ฟ้าทำชอบเล่นชอบสนุกสนานชอบทําบระบัดประดาขึ้นมา ก็เป็นเหตุให้ตั้งไปใช้เอาช่างเปลม่ยนการทำจนทําให้เกิดเขาต้องเสียประโยชน์เสียเวลาในการประกอบสำนักอาชีพของเขาในกระพรมก็จึงบัญญัติห้ามไม่ให้พิสูจน์ทำกล่องเข็มเลื่อยกระดูกงาเขาเนี่ยถ้าหากว่าทำก็เป็นบาปจิตติแต่ว่าคนอื่นทําแล้วไอามาใช้ก็เป็นอากกมาติถกฏฎในทิ่คาบทนี้ต่อไปิตอนบทที่ห้าว่า อาี่สุจะทําเตียงหรือสั่งเพื่อทําให้มีท้าเพียงแสดนิ้งสุดขดเง่นร้ยแต่แม่แค่ถ้าทําให้เกินกาหนดนี้ต้องป่าจิตตีต้องป่าในไดบประมาณเช้ก่อนจึงแสดงอวัตตตกลักษณะของเตียงหรือสั่งเตียงนั้นก็เป็นของที่ยาวพอนอนได้นะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมรีอของยาวนอนได้เรียกว่า เป็นสนอนเป็นของที่สำหรับใช้ในการนอนนะไม่ใช่ไม่ใช้่มั่งจะจะมั่งบ้างก็ได้แต่เป็นทั้งว่ากันที่จริงเตียงนั้นสำหรับนอนแต่เมื่อก่อนนอนเราก็ต้องนั่งเปของธรรมดานะเป็ของธรรมดาซึ่งเป็นของที่ยาวพอสมควรยาวนั้นไม่ได้กำหนดไว่าจะต้องยาวเท่าไหร่แต่ว่าความสูงของเตียงนั้นเนีย่ยมีจำกัดไว้ว่าจะต้องไม่สูงกว่าแปดนิ้วสุดข อตอนนี้สุคต์คือนิ้วของพระพุทธเจ้ามันขนาดไหนอันนี้ก็มีท่านสันิษฐานเอาไว้ว่าก็ยาวเท่ากับช่างไม้คือนิ้วของช่างไม้ปัจจุบันนั้นน่าเป็นเป็นนิ้วสุคต์นั้นก็จะยาวพอสมควรสูงพอสมควรแปดนิ้วสุคต์แต่ถ้าหากว่ายาวมากกว่านั้นห้ามห้ามนํามาใช้เป็นเปลียนนอนเต้นอวบบาทเจ็ดปีแม้จะ อได้กําหนดแปดเลยสกุแล้วถ้าหากว่าเตียงนั้นเป็นเตียงเจมูกสิงอันนี้ตั้นก็ห้ามเหมือนกันเตียงเจมูกสิงเนี่ยที่ถึงใช้นอนจะไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึงกัเป็นปัจจุบันแต่เป็นธรรมทุกกฎนคะครันะส่วนตางนั้นเป็นของที่ทำตั้นไม่พอจะนอนนะใช้เป็นต้นงาสิ่งสําหรับนั่งตรงกลับมาในปัจจุบันจะว่าต่างนั้นจะนั่งได้คนก็ได้สองคนก็ได้เป็นของสําหรับนั่งแต่ไม่ใช่ของสําหรับนอนนะ าอาอาบัดในสุขาบนเลยจะเป็นอนบัดทุกกฎทั้งวันได้ของที่เขาทําเกินประมาณไว้มาใช้สอยมั่งนอนทั้ง อ, อย่างนั้นต้องผิดกฎของอื่นลืมมาสี่เหลี่ยมเป็นต้นนี่เท่าเสื่อกว่าประมาณนั้นใช้ได้ถ้าเป็นมาแล้วกระสุนกว่าแปดนิ้ใช้ได้ป่าจิตติชนิอเรียกว่าเชยทะกะป่จิตติเฉยทะกกะนะปาจิตจติแปล ว, ว่าปาจะติจะต้องตัดสิ่งของเหล่านั้นคือต้องตัดเท้าเตียงซะ ก, ก่อน เ้าต่างเสก่อนที่กรงกำรนั้นจึ่งแสดงอบัตกอกวันไในสกขาวบทก่อนบอกว่าเพยธนกะศแล ว, ว่าปล่อยหรือทาลายยึ่งแสดงอบัติอกนั้นไปแก่กล่องเข็มหีืสีขาบทเดียวซึ่วนไม่สีขาวบทที่ห้าหรือม่ต้องตัดหน่อยเฉย ธ, ธนกะมาจะได้ต้องตัดเสก่อนตัดขาตีงขาต่างนั้นเสก่อนยึ่งจะแสดงอบัตอกและมีความแตกต่างอยู่เล่มนึงคือเพยธนากากับเฉทธนากธธนาศะรงนั้นเนี ต่อไปสืขาวบที่บอกว่าพิสูจน์ทำเตียงหรือต่างเคุ้มนุ่มต้องไปจะ ต, ตีก็ต้องรีบเสียก่อนตื่นแสดงอาบัติออกรักจะมาแห่งเนิ่นเขนามาเนิ่น น, น, น้นหมายเอาของที่เป็นปุ๋ยเกิดจากต้นไม้เกิดจากเทาวันแม้ดดอกยญ้าต่างๆแล้วฝ้ายก็นับเข้าในที่นี้อันนี้ก็หมายถึงพิสุเออทำเตียงแล้วก็เอาของที่นุ่มๆต่างๆมายัด นีืว่ามาทําอที่รอนให้มันเกิดนุ่มๆขึ้นมานี่ก็เป็นปานจิตใจเหมืนกันทํำเตียงต่างหุ้มนุ่มนะ น, นี่ก็เป็นของยากเหมือนกันเนี่นะที่ห่มเพราะว่าพระเราก็ใช้โดยเฉพาะพระที่มีอายุมากๆ ม, มันจะจะต้องอาศัยการนอนในที่ลุม่มบ้างตามสมควรแต่ว่าก็จําเป็นจะต้องนอนทับอวมัดอย่ั้แหละคือไม่ทนก็เลยจะหมายถึงว่าของที่ NO. ชื่อว่าหุ้นลุ่นในชี่ลุ่นหมายเอานุ่นหลายอย่างที่เก Inform ิดจากฟุ้งเกิดจากต้นไม้เกิดจากเขาวันเกิดจากหญ้าต่างๆเนี่ยแม้แต่ฝ้ายต่างๆเนี่ก็นับเข้าเป็นเตียงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เอเตียงที่หุ้นลุ่นต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นฟูกที่เราเรียกว่าที่นอนอันสูงอันใหญ่เนี่ยก็ก็เป็นเหตุให้ต้องอบัติได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ให้เป็นอาบัดก็กต้องละเว้นไม่นอนในที่หุมลุ่น น ะ, นะที่โลอนอันนีลึ่นอะไรภายในยัดด้วยสําบีอะไรต่างเนี่ยต้องเว้นอันนั้นจึงจะไม่ต้องอาบัติในสิขนนส่ขาบที่นี้ไอส้สิดทาบทที่เ็ต่อไปว่าภิษสุทำาภาปูนั่งพิงตามให้ในัประมาณประมาณนั้นยาวอาสองคืบนะสองคืบพระสุคตกว้างคืบครึค่งชายคืบหนึ่งถ้าทำให้เกินกำหดนดหรือต้องป่าสิบสี่ ต้องตัดให้เร็ประมาณแค่ก่อนจึงสแสดงอบัตตกเนี่ยก็ต้องตัดอีกนั่นเองแาาล้วพระพุทธรูปเรียกชื่อตามบาลีว่าลิศิชนะนสมัยนะ า, าตเป็นบริขารพิเศษอธษิฐานไว้ใช้ได้ผืนหนึ่งอา่อาผืนหนึ่งเท่นั้นเองนะเมื่อครบกำหนดแล้วก็ให้ทำการีกกลับไว้อาาล้วพระพุทธรูปลี้เราได้เรียนมาึกษามาแล้วมีอะไรสีขาบ ท, ที่เท่าไรา เราก็ลองพิจารณาถอยหลังกลับไปในสิ่ขาบทต่างๆที่เราเรียนกันมาในรูปสกิลญาติาจิตีก็จะไปพบในสี่ขาบทที่สี่แห่งปัตตาวะ่า เ, เกี่ยวกับผ้าอบน้ำฝนตรงอนุญาตให้แสเวงหาได้เนี่ระดูร้อนอยงเหลืออยู่อีกหนึ่งเดือนคือตั้งแต่เร็มค่ำหนึ่งเดือนเจ็ดให้แสเวงหาผ้าอับน้ำฝนได้จันประเดี๋ยวฤฝน่ยังเหลืออีกสิบห้าวัน คือตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปดให้ทำนุ่งได้อันนั้นก็ได้กล่าวไว้ในในในสิขาบทนั้นนั้นผ้ า, านั่งฝนนี้จะต้องหาและให้ได้ประมาณคือยาวสองเอ่อยาวเท่าไหร่ยาวเอ่อสองคืดพระสุคตกว้างคืดครึ่งชายคืดหนึ่ง เอ่ออันนี้เป็นผ้าปูนั่งแนะให้ผ้าปูนั่งมันไม่ไม่ไม้าอัน้ำฝนให้เป็นผ้าปูนั่งนะอ่าอันนี้ก็ต้องขอโทษก็ใจผิดนะเป็นผ้าปูนั่งไม่ใช่ผ้าอับน้ำฝนในก่อนั้นเป็นผ้าอน้ำฝนอันนี้ผ้าปูนั่งนะสําหรับนั่งเท่านั้นเองไม่ต้องยาวมากนะแล้วอันนี้ก็เป็นผ้าสําหรับให้พิสูจน์ในใช้เป็นบริขารในการที่จะปูนั่งอ่าในที่ต่างๆอ่าจะเป็นในที่ไหนก็แล้วแต่จะมีผ้าปูสําหรับนั่งนะเป็นบริขารอันหนึ่งที่พิสูจน์จัต แม่ใช้รองนั่งนะี่ยเปลี่ยนผ้าในสีธนัตก็ต้องทําให้ได้ประมาณต่อไป่าสินค้าหมวดที่แปดสินค้าหมวดที่ต่อที่ือทําผ้าลุ่งปิดแผลคือทําให้ได้ประมาณประมาณน้ำยาสีขึ้นพระสุโคตกว้างสองขึ้นถ้าทําให้เกินกําหงในที่ต้องการจิตตีคือต้องตัดได้ได้ประมาณเช่นก่อนจึงแสดงอําตตกผ้าปิดแผลก็อสําหรับปิดแผล ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นฝีเนีมันก็สงรงอนุญาตให้เป็นบริขารพิเศษอธิษฐานใช้ได้เชื่อกคราวอภารเป็นเม็ดเป็นยอดเช่นสีบาทสุกสายหิตตะมอยหรือผู้พองอันลีหนอหินน้าเหลืองเปลือเปื้อนต่างๆนี่ก็อนุญาตให้มีผ้าสำหรับในการที่จะใช้ปิดฝีปิดแผลเหล่านั้นก็มีไว้ได้ใช้ได้ ดังนั้นก็เ <c oughs> พรรื่อนสาวทั้งหลายก็ถ้าหากว่าเกิดเป็นแผลขึ้นมาจะใช้ผ้าอย่งยังได้ยังหนึ่งก็ได้แต่ว่าตองให้อยู่ในประมาณคือยาวสี่คือพระสุคดกว้างสองคือถ้าทำให้เกิดนั้นนั้นเป็นปัติจะตามกว่านั้นนั้นท่านไม่มีอะไรทราบอะไรก็เป็นทราบมาอย่างนี้อสำหรับวันนี้ก็เวลาของเราก็ได้อสิ้นสุดยุติลงแล้ว ล้วก็ขอความสุกความสวัสดีจงดังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิตรทั้งหลายที่ตั้งใจสนับรับฟังตั้งใจศึกษาวินัยมาตลอดก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความมุ่งมาาปรารถนาจงทุก ป, ประการเถนวันดีครับเพื่อนสามมิตรทุกรูปที่ศึกษานักธรรมชั้นตรี วันนี้เราก็มาพบกันอีกในเรื่องของพระวินัยต่ อ, อเราได้ศึกษามาก็มาถึงรัตนวัคที่เก้าซึ่งเป็นวัคสุดท้ายแล้วในวัคสิบเก้าซึ่งชื่อว่ารัตนวัคนั้นเราก็ได้ศึกษามาเป็นลำดับลำดับจนถึงสิขาบทที่แปดจนถึงสิขาบทที่แปดซึ่งสิขาบทที่แปดนั้นเราก็ มาศึกษาเกี่ยวกับผ้าสำหรับปิดแผลซึ่งสิการบุทรีแปดนั้นบอกว่าพิสูุทํทำผ้านุ่งปิดแผลจึงทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสี่คือพสุขกว้างสองคือถ้าทำให้เกินประกำนดนี้ต้องป่าจิตตีก็ต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกตในข้อนี้ก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเป็นแผลเป็นอะไรเราก็มักจะไปรักษาที่ โรงพยาบาลไปหาหมอหาแพทย์ก็หมอก็คงจะต้องใช้ผ้าอย่างอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องของทางด้านแพทย์ด้านพยาบาลที่จะทำการรักษาส่วนเราที่จะมีผ้าไว้ใช้ในการที่จะปิดแผลนั้นก็ก็ทำได้ตามพุทธบัญญัตนะิก็คือว่าให้ยาวตี่คืบพัสุโคตรกว้างสองคืบนะให้ยาให้ยาวกว่านั้น อ่ยายิ่ยาวกว่านั้นทยาวกว่านั้นก็เป็นปาจิตีนะในสิขาบทนี้อ่าทีนี้สิขาบทต่อไปก็คือสิขาบทที่เก้าสิขาบทที่เก้านั้นความว่าภิกษุทําผ้าอาบน้ำฝนพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวหกว ค, ครึ่งพระสุโคตกว้างสองคืบ่ครึ่งถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตีต้องตัดให้ได้ประมาณเจ็ก่อนจึงแสดงอาบัตติก เรื่องผ้าอาบน้ําฝนนั้นก็เราได้เรียนกันมาแล้วในสิขาบทที่สี่แห่งปัตตวะซึ่งว่าในการสเสวงหาผ้าอาบน้ําฝนและก็การทํานุ่งก็อลองพิจารณาใส่ตรวงกลับไปดูในสิขาบทที่สี่ถึงผ้าอาบน้ําฝนว่าทรงอนุญาตอย่างไรอันนี้เราก็เรียนผ่านกันมาแล้วก็คงจะเข้าใจแล้ว ในเรื่องของภาพนำฝนซึ่งเป็นภาพที่อนุญาตพิเศษให้ใช้ในคราวที่ถึงฤดูฝนเท่านั้นตลอดระยะเตีเดือนฤดูฝนอธิษฐานไว้ใช้หลังจากกระดูฝนคือกลางเดือนสิบสองไปแล้วก็ให้ทำการวิกลับเอาไวเ้เรื่องภาพนำฝนแต่ก็ต้องได้ประมาณนะได้ประมาณก็คือยาหกคือปพระสกคตกว้างสองคือครึ่งนี่ความประมาณในะประมาณภาพนาฝนที่เราจะต้องใช้ ภาน้าฝนนี้เดิมทีก็พระก็ไม่มีไม่มีภาพน้ำฝนแต่ว่าเกิดในคราวหนึ่งซึ่งคราวนั้นได้กล่าวว่านางวิสาขามหาวสาิกาได้ไปรัตนาพระสงฆ์ในวัดว ร, ระเจตวัว น, นั้นไปฉันที่บ้านแต่ว่าวันนั้นเกิดฝนตกมากฝนตกหนะักพระสงฆ์ก็ลงอาบน้ำแต่ก็เปื้อยกายไม่้นุ่งผ้าอาน้ำ นักวิสาขาได้ให้ทาสีคือคนใช้ไปอาราธนาพระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นประธานที่วัดแต่ว่าเมื่อไปถึงวัดแล้วก็ปรากฏเห็นพระพิสุสงฆ์เหล่านั้นอาบน้าโดยไม่มีผ้านุ่ง เ, เข้าใจว่าเป็นพวกเดรรทีนึกว่าเป็นพวกเดรรทีก็กลับไปบอกนางวิสาขานางวิสาขาก็รู้ว่าที่ อคนใช้เห็นนั้นที่จริงก็เป็นพิสูุแหละอันนั้นด้วยเหตุนี้เองก็จึงได้คิดในการที่จะกราบทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงอนุญาตผ้าอาบน้ําฝนฉะนั้นได้โอกาส ก, าก็ได้กราบขอพรจากพระศาสดาพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พิสูจมีผ้าอาบน้ําฝนได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของผ้าอาบน้ําฝนก็ต้องทําให้ได้ประมาณถูกต้องตามพระวินยัย จึงจะใช้ได้ไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่พิสุตตต่อไปสิขาทที่สิว่าพิสุตต์ทำจีวรให้เท่าจีวรสุคตก็ดีสุเกินกว่านั้นก็ดีต้องปวาจิตตีประมาณจีวรสุคตนั้นยาวเก้าคืบพระสุคตกว้างหกคืบต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตโต อันดามันตามส่วนนี้ก็สันนิษฐานว่าในครั้งก่อนคงจะใช้จีวรเล็กขนาดเท่าผ้าผมเนาชนิดใหญ่หน่อยหนึ่ง เ, เรื่องของผ้าอันนี้กเ็เราก็ใช้ผ้ า, าใจะใหญ่กว่าจีวรของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรแต่เราก็นิยมใช้กันอยู่ปัจจุบันก็ถือว่าใช้ได้เนะี่ยก็ไม่ได้เอถือกดขันมากในข้อนี้เท่าไหรนะ่นักเพราะว่า เราใช้หม่มแบบปัจจุบันนั้นจะต้องผ้า น, านห่มที่ใหญ่หน่อยแต่ผ้านหนูห่มเล็กก็ห่มได้ลําบากมากนะแต่อย่างไรก็ตามในสิกขาบทนี้ก็พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อย่างนี้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามสมควรในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะไม่ให้ต้องอับัตินั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอันนี้นสรุปในสิกขาบทในปราริตริกันนี้เพราะว่า เราดีกันมาทั้งหมดเก้าเก้าวะนะวักนะวักสิบสิขาบทเว้นไว้แต่สหธรรมิกวักมีสิบสองสิขาบทจบลงแล้วก็เราก็กล่าวด้วยสรุปกันสรุปข้อความในการนี้ก็ท่านปรารถนาที่จะให้ผู้ศึกษานั้นหรือผู้ศึกษาวิเนรัยนั้นอย่างเห็นถึง อ, อัธรรถโดยข่องแท้จะได้ปฏิบัติให้สมบูรณประโยชน์จริงๆ จึงแสดงข้อห้ามในการนี้ก็จัดเป็นหมวดตามความเสียหายหนักเบาเพื่อเป็นทางสนิทฐานนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมควรก็ได้ดังนี้หนึ่งข้ออันทำให้เป็นคนเลวคือกล่าวมุสากล่าวต่อเสียดดื่มสุรามราีไรโจดด้วยอวัตังกาติเศษไม่มีมูลอันนี้ก็ทำให้เป็นคนเลวนะกล่าวมุสา คือการพูดเท็จนั้นพูดโกหกนั่นเองเลือกเล่าสอดเสียดเสรียดแทงให้เกิดความเจ็บใจตลอดตั้งการดื่มสุราเมรยัยของดองของเหมือนเมาต่างๆแม้แต่พวกฟินกัญชาเฮโรอีนอะไรก็จัดเข้าในพวกสุราเมรยัยหรือการกล่าวการโจดกันในเรื่องของอาบัตต่างๆโดยเฉพาะในปัญจตีนั้นก็โจทกันในเรื่องอาบัตสังกัลิเศสนี่โมนเหล่า น, นี้ก็ถือว่าเป็นคนเลว ประการที่สองข้ออันแสดงความดุร้ายของพิษุกข้อแสดงความดุร้ายเช่นกล่าววาจาเสียบแทงให้เจ็บใจแต่ เ, เสียบแทงให้เจ็บใจให้ประหารเมื่อมือทําอาการดุดเช่นนั้นฆ่าสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความดุร้ายกล่าวเสียบแทงให้เกิดความเจ็บใจให้ประหารเมื่อมือทำท่าจะประหารหรือฆ่าสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน ประการที่สามว่าข้ออันทําให้เกิดความเสียหายเช่นประจานความชั่วของการแล็กกันปิดความชั่วของการเล็กันนั่งในที่รับกับหญิงสองต่อสองนอนร่วมในเขตกับหญิงเดินทางกับพ่อค้าผู้ซ่อนเอาของต้องห้ามเข้ามาเดินทางกับหญิงแอบฟังความของผู้อื่นเห็นของตกถือเอาเป็นของตนของเก็บได้เหล่านี้ก็ร้วนแต่เป็นเรื่องของความเสียหายเท่านั้น ประการที่สี่ข้ออันส่อความสุกสนเช่นเล่นกี่เล่น G, ลน้ฮะหลอนที่สุซ่อนของอเพื่อนล้อเล่นพูดเย้วให้เกิดความรําคาญนี่เป็นการประพฤติในลักษณะของความสุขสนประการที่ห้าข้ออันทําให้การประพฤตินั้นเสียกิริยาคึอข้ออันทําให้เสียกิริยาคือรับนิมนต์ฉันไว้ก่อนแล้วไปฉันในที่นิมนต์ที่หลังไม่แบ่งขนมที่เขาถวายมามากแก่พิสุอื่น เข้าไปนั่งแทรกแซงในสกุลที่เขากำลังบริโภคอาหารรับประทานนางเกินกำหนดบริโภคจีวรซึ่งวิกับไว้อย่างไม่ได้ถอนน้อมลาภที่เขาจะถวายสงมาเพื่อบุคคลติเตียนพิสูจน์้าที่ผู้ทำกิจสงไม่เอื้อเฟือ้อในพระภินายให้ฉันทะเพื่อกำอันเป็นธรรมแล้วบ่นว่าเมื่อภายหลงังคุยอธิกรขึ้นทาใหม่เมื่อสงกาลังที่เลใช้อธิกรอยู่ไม่ให้ฉันทะลุเสียไป พร้อมใจกับสงให้จีวรแก่บวิสุรูปหนึ่งแล้วบ่นว่าเมื่อภายหลังนี่ก็เป็นการเสียกิริยาข้อประการที่หกข้ออันสอความสะเข้าคือเอาเสนาสนาสัสนงไปตั้งใช้ในที่แจ้งแล้วไม่เก็บเอาที่นอนปูไว้ในวิหารของสงให้กีดที่เอาน้ำมีตัวสัตว์เทรถหญ้ารถดินบริโภคน้ำมีตัวสัตว์อันนี้ก็เป็นลักษณะของความสสเพ้า ประการที่เจ็ดว่าข้อที่ล่วงแล้วให้เสียธรรมเนียมของพิสษุคือนอนร่วมกับอนุกสัสมันคุดดิ้นระพฟูตะามฉันคณะโทษห้ามโทชนะแล้วกลับฉันอีกฉันอาหารในเวลาวิการฉันอาหารเป็นสันนิธิฉันขอไมไ่รับประเคนขอโปชนะอันตรนิรตไม่เจ็บและผิงไฟนุ่งห่มผ้าไม่ได้ทาการฟินทุไม่บอกลาเข้าบ้านในเวลาวิการทากล่องเข็ม อเอ่องนาทําเตียงต่างนือเท้าสูงกว่าประมาณทําเตียงต่างหุ่นนุน่นทําจีวรและผ้าบริขารอย่างอื่นให้ล่วงประมาณอันนี้ก็เป็นการเสียธรรมเนียมของภิกษุซึ่งเราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าล่วงละเมิดอยู่ทําอยู่บ่อยๆก็จะเสียธรรมเนียมที่ดีงามของภิกษุไปนี่ก็เป็นข้อสรุปในในปาจติกันซึ่งเป็นการที่ว่าด้วยปาจติก้าสิบสองนี้เราก็ ม า, าต่อกันในปฏิเทศนียะนะไปถึงศนียะ <c oughs> ซึ่งเป็นการต่อไปก็มีทั้งหมดสี่สิกขาบทสี่ข้อด้วยกันสี่สิกขาบทหรือสี่ข้อนั้นก็ไม่มีอะไรที่สำคัญมากนะแต่ก็ต้องศึกษาให้รู้จักและให้เข้าใจตามสมควรเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ สิกขาบททั้ง227สิกขาบทที่พิสุจะต้องศึกษาให้เขาใจเพราะเป็นหลักเป็นศีลเป็นวินัยของพระโดยเฉพาะสี่สิกขาบทนั้นหนึ่งิสุรับของเคี้ยวของฉันแต่มีนางพิกษุนีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปฏิเทสนิยะสองกิสุฉันดูในที่ริมน ถ้ามีนางพิสุณีมาสั่งพายกให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายเธอฟึงไล่นางพิสุณีนั้นให้ถอยไปเสียถ้าไม่ไล่ต้องปาฏิเทศนิยะสามพิสุไม่เจ็บไข้ เ, เขาไม่ได้มีนนรับของเคี้ยวของฉันในตะโกนที่สสมมุติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องปาฏิเทศนิยะ สี่พิสุอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความไว้ให้ทราบก่อนลุ้ยมือของตนมาบริโภคต้องป่าจิตตีต้องไปเทสนิยะก็โทษ ด, ด้วยติดไปเทสนิยะติดไปจิตีมาอา่ท ส, สิขาบทดด้วยกันนะ เศสิขาบทด้วยการ น, นี้เราก็มาเอาเรียนแต่ละข้อแต่ละข้อไปว่าอย่างไรปายเทตัญญะศัพท์นี้นั้นเป็นชื่อของอาบัติแปลว่าจะพึงแสดงคืนปลายเทตัญญะนี่เป็นชื่อของอาบัตแปลว่าจะพึงแสดงคืนเป็นชื่อของสิกขาบทแปลว่าปรับอาบัตปลาเทตัญญะ ดังมีทั้งหมดสี่ที่ขาบทดังที่กล่าวมาแล้วสิ่ขาบทที่หนึ่งที่ว่าพิกาุรับของเคี้ยวของฉันแต่มือนางพิศมณีผู้ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปายเทสนิยะความมุ่งหมายของทิกขาบทนี้ก็คือห้ามเพียงไม่ให้เอามือรับของฉันจากนางพิศมณีแต่ถ้าคนอื่นรับมาถวายอีกต่อหนึ่งนั้นไม่เป็นอรบัติ ความประสงค์ก็เพื่อการให้ภิกษุเบียดเบียนนางพิสุณีผู้มีราบน้อยคือพิกษุณีเนี่ยแม้จะมีศินถึงสามร้ยสิบเอ็ดมากกว่าภิกษุก็ตามแต่ก็จะต้องเคารพนับถือบูชาสักการะพระภิกษุสงฆ์แม้ภิกษุณีบวชหนึ่งร้อยปีภิกษุบวชในวันนี้ก็จะต้องเคารพภิกษุบวชในวันนี้อย่างนี้แทนคนส่วนใหญ่ก็เคารพนับถือภิกษุมากกว่าพิกษุณี ลาบสักกระก็เกิดขึ้นมีอเก่พิสุมากกว่าปิษุณีเป็นของธรรมดาพระพุทธองค์นั้นที่ทรงบัญญัติไม่ให้พิสุรับของจากมือนางปิษุนีนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าปิษุณีนัน้นมีของน้อยได้ลาบสักการะน้อยถ้าพิสุไปรับแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ค่อยจะมีราบสักการะนี้่ได้เอาของหล่นมาถวายพิสุอะไรเขาก็จะต้องได้รับฟังเดือดร้อนบ้างตา่างสมควร นั้นจะรับก็ได้แต่ว่ารับจากพิสูุอื่นๆจากพิสูจนหรือรับจากาผู้อื่นที่ไม่ใช่พิสุจนีนั้นก็ทำได้มากมายแต่พิสูนีนั้นก็เห็นว่าไม่ค่อยจะมีอะไรมากนักก็เหมือนที่ปัจจุบันนี้พิสูจน์กับสมัมเนนเนี่ยพิสูจน์จะมีหน้าสากัลระมากกว่าสมัมมเนสมนสัมมเนนนั้นก็เป็นที่น่าเห็นใจ มีใครทําบุญกุศลที่ไหนนิมนต์ให้ไปสวดมนต์ก็จะมีแต่นิมนต์พระสงฆ์เท่านั้นไปสวดมนต์สมณเณรก็ไม่มีโอกาสสมณเณรก็ไม่มีเอบอะไรที่จะได้ไปกับเขาฉะนั้นราภหลักละก็เกิดขึ้นแต่แก่พิสุกเป็นส่วนใหญ่สมณเณรก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหรนะ่นักส่วนใหญ่เลยทีเดียวในเมืองไทยแต่ก็มีบางแห่งนิมนต์สมณเณรไปด้วยแต่ก็น้อยลักเกินแมมน่สมณเณรไม่ค่อยมีอะไรยิง่งตามลงไปกว่านั้นอีกเช่น อ, อุบาสิกา โดยบวกคือเข้าใจกันที่เราเรียกันว่าชีเั่านี้ชียิ่งไม่มีอะไรได้มากไม่มีลาภสักกะอะไรเหมือนกับพระสงฆ์สมณเรนรนะสมณเณก็ยังมีมากกว่าชีชียิ่งไม่มีอะไรดังนั้นชีเนี่ยก็ลาภสักกะต่างๆก็จะไม่มีจะไม่ไปสวดมนต์ที่ไหนจะไม่ไปทําอะไรที่ไหนนอกจากมีบางแห่งที่สุดสงฆ์คาหาบ้างก็มีอะไรได้บางนิดหน่อยไปไหนก็ลําบากไม่ก็จะมีอะไร ดังนั้นถ้าพูดถึงพิสุณีแล้วก็ก็ก็คงจะต่างกันบ้างกับออ่าชีเพราะว่าพิสุณีนั้นเนื่งเหลืองขมเหลืองมีสีมากกว่าแต่ก็ความนิยมนับถือเคารพนั้นก็สู้ที่เข้มไม่ได้ดังสี่ขาบทนี้ก็ป้องกันไม่ให้พิสุไปรับของจากมือนางพิสุณีนะแต่คนอื่นจะรับมาประเคนอย่างไรนั้นไม่ห้ามในสีข้บทนี้นะ ถ้ารับถ้าพิษุจน์มือรับของจากมือนางพิสุณีโดยตรงนั้นเป็นอาบัตแต่เป็นอาบัตที่ต่าลงมาจากป่าจิตติเรียกว่าป่าเิเตชนิยะเนี่ปาเตเตชนิย ะ, ะสิขาบทที่สองต่อไปสิขาบทที่สองนั้นผมว่าพิษุฉันอยู่ใดที่นิมนต์ถ้ามือนางพิษุณีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายเธอพึงไล่นางพิษุณีนั้นให้ถอยออกไปเสียถ้าไม่ไล่ต้องป่าเตเตชนิยะ ความมุ่งหมายในที่า่บทนี้ก็มีพระพุท ธ, ธานุญาตให้ไล่นางพิสณีผู้มาสั่งให้ทยกถวายของในเวลาฉันเพราะเป็นอาการที่ไม่งามซึ่งดูประหนึ่งอาการของชู้สาวดังนั้นขณะฉันเป็นมหรูปเดียวก็อ้างรูปเดียวห้ามก็คุ้มาบาตรได้ทั้งหมดนะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีไม่งาม ในขณะที่กําลังฉันเกิดพิสนุนีมาสั่งอย่างนั้นมาสั่งอย่างนี้เนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดตัวเอ๊ะมีอะไรกับพระพิสุหรือเปล่าอะไรต่ออะไรก็เพื่อการอันนี้แหละก็จริอให้ไล่หนงังพิสุนีนั้นอย่ามาบอกให้ถ่ยกถวา ย, ยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ไล่ก็เป็นอวบัตไปเทสนิยะซึ่งตามลงมาจากบาจิตติอีกต่อไปสือท้า บ, บที่สามพระพิสุไม่เป็นไข้เขาไม่ได้นีมน รับของเคี้ยวของฉันในสกุลที่สงสมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องไปเทสนิยะความมุ่งหมายแห่งทีคขาบทนี้ก็ห้ามให้รับของเคี้ยวของฉันในสกุลที่สงสมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคเล้นไว้แต่ถ้าเขานิมนต์อาพาธทั้งสองของ้อนี้พิสูจเข้าไปรับไม่เป็นอันบัตน ะ, ะเสขะนั้นก็เป็นที่รู้ว่าได้แก่ผู้ยังต้องศึกษา หมายเอาตั้งแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันจนถึงอาธรรมตมักไม่ว่าเสขาบุคคลเจ็ดโสดาปฏิบัติโสดาปฏิผลสกทาไครมัส ก, กาธายมุนอนาไครมัอนาใครผลและก็อาารรมตมักในยังเป็นเสขาบุคคลคือบุคคลยังต้องศึกษาเป็นอะไรบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อธรรมะออันเชั้นสูงขึ้นไปในการที่จะทําลายอาสวักิเลส ท, ที่ยังไม่หมดให้หมดไป เรียกว่าเสขาบุคคลส่วนพระเสขาบุคคลนั้นหมายถึงเป็นพระอาหารหันต์ที่สําเร็จเป็นอาหารหันตผลแล้วอ น, นั้นไม่ต้องศึกษาฉะนั้นอพระเสขาบุคคลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระโสดาบันสกรารทาคามีเนี่ยยังมีการครองเรือนอยู่และก็เป็นผู้ที่มีสถามั่นในพระนตนใจสถามั่นในพระนตนใจตัดมัจจรยากความตระนีตได้ นั้นถ้าพิสูจไปรับอะไรต่ออะไรก็จะต้องถวายทั้งนั้นคือมีสถามั่นคงในพระนักไตรในการให้ทานรักษาศีลโดยสมบูรณ์แล้วนั้นเกิดเสข้บุคคนบางท่านอาจจะค่อนข้างเหา ต, าตุอัตคัดทรัพสมบัติถ้าพิสูจไปรบกวนมากก็จะท่านก็จะต้องอถวายทานมากก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนได้ขึ้นมาพระสงฆ์ก็ส่งบัญญัติห้ามให้พิสูจนอที่ไม่เป็นไข้ถ้าเป็นไข้ไม่เป็นไร ได้รับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่เป็นเศขารนั้นแต่แต่เขาได้นับไม่เป็นอะไรนี่ไม่เป็นอะไรอต่อไปสิขาบทที่สี่อาสิขาบทที่สี่ว่าพิกษุอยู่ในเนสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่าในแจ้งความให้ทราบก่อนเรด้วยลือของตนมาบริโภคต้องปายเทนิยะความมุ่งหมายในสิขาบทนี้ก็พิสุอยู่ในเนสนาสนะป่า เป็นที่น่ารังเกียดมีภัยรับของเคี้ยวของฉันที่ทา ย, ยกไม่ได้บอกล่วงหน้าต้องอาบัติเฉพาะอยู่ในเสนาสนะป่าะแต่ที่อื่นนั้นไม่เป็นไรอ่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้พิสุที่รับของฉันมาก้อนเขามาแล้วต้องถูกโจรแย่งชิงเอาของที่ทําบุญไปเสียซ้ํายังจะเกิดอันตรายแก่พิสุอีกด้วยแต่ถ้าข อ, อถ้าเขาบอกล่วงหน้าก็มารับได้ เพรเขาจะได้ตระเตรียมการป้องกันโจรภัยอันจะพึงบังเกิดมีก็ได้อันนี้ก็เป็น เ, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภิกษุที่อยู่ในป่าเส้นล้านนป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวห่างจากหมู่บ้านนะก็มีโจรชุดชุมเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ก็จริงได้บัญญัติห้ามไว้ต้องได้รับอบอกเสื่อจริงจะไปรับอาหารที่ทา ย, ยกนั้นไดนะ้รับอาหารที่ ถ้ายกมาบริโภคได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นอบัตตไปายเทศริยะนะเป็นอบัตต์น้อยลงมานะนี่เป็นเป็นข้อในเป็นเทศริยะสี่สิขาบท้วกกันทีนี้เรามาว่ากันในเสขยวัตต่อไปเอาเสขยวัตนั้นนะก็เป็นวัดที่เราจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจวัดที่พิสูจที่ต้องศึกษาเรียกกันว่าเสกียวัต ในวันนั้นจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะาัยสั่งยุตหมวดที่สมเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสั่งยุตหมวดที่สี่เรียกว่าปกกิณฑ์ากาอสารุปหมวดที่หมวดที่หนึ่งนั้นก็มียี่สิบหกิขาบทยี่สิบหกิขาบทก็ไม่มีอะไรที่ะจะต้องศึกษายากนะเพราะเป็นข้อในง่า ย, ายนะ ในยี่สิบกสิขาบทก็จะเป็นคู่ๆไปคู่ที่หนึ่งว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยนะนุ่งห่มให้เรียบร้อยอคู่ที่สองว่าภิกษุพึงศึกษาว่าเราจะปกปิด ก, กายดูยดีไปและนั่งในบ้านคู่ต่อมาว่าภิกษุ เพิงศึกษาว่าเราจะระวังมือเท้าด้วยดีไปและนั่งในบ้านมวดต่อมาอาคู่ต่อมาภิกษุเพิงศึกษาว่าเราจะมีตาทอดลงไปและนั่งในบ้านเร า, าภิกษุเพิงศึกษาว่าเราจะไม่เลิกผภานะไปและก็นั่งในบ้าน พิสูจพึ่งศึกษาว่าเราจะไม่หัวเราะไปและนั่งในบ้านพิสูจพึ่งศึกษาว่าเราจะไม่พูดเสียงดังไปและนั่งในบ้านพิสูจพึงศึกษาว่าเราจะไม่โครงกายไปและนั่งในบ้านพิสูพึงศึกษาว่าเราจะไม่กวยแขนไปนั่งในบ้านพิสูจนพึ่งศึกษาว่าเราจะไม่สั่นศีรษะไปนั่งในบ้าน พี่สุพึงศึกษาว่าเราจากไม่เอามือค้ำกายไปนั่งในบ้านที่สุพึงศึกษาว่าเราจากไม่เอาผ้าคลุมศรีรษะไปนั่งในบ้านที่สุพึงศึกษาว่าเราจกไม่เดินกระโยงเข้าไปในบ้านที่สุพึงศึกษาว่าเราจกไม่นั่งรัดเข่าในบ้านอันนี้ก็เป็นหมวดาสารูป ซึ่งมีทั้งหมด26ข้อเ้วยกันนะ26สิกขาบทก็เป็นจารยะวัดที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเรียบร้อยตั้งอยู่ในสมนักสารูปนะเรียกกันว่าเสกยวัตเสกยวัตนั้นนะ<ถ>เราก็มาเรียนแต่ละข้อแต่ละข้อตามสมควรว่าเป็นยังไง ร, รับ ที่ว่าเสีแก้ววัดเนี่ยเป็นชื่อของธรรมที่ได้แก่วัดหรือธรรมเนียมอย่างเดียวนะเป็นธรรมเนียมอันดีงามก็ซึ่งเสีแก้วนแปลว่าการศึกษาหรือควรศึกษามีทั้งหมดสี่อหมวดถึงสี่หมวดนั้นเราก็ได้จำหมวดแต่และหมวดสําคัญสําคัญไว้ดีแล้วว่าหมวดที่หนึ่งนั้นคือสารูปว่าด้วยธรรมเนียมควรประพฤติในเวลาที่เราจะเข้าบ้าน สองหมวดปโภชนะปริสังยุตว่าด้วยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหารสามธรรมเทศนาปริสังยุตว่าด้วยธรรมเนียมไม่ให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้แสดงอาการอย่างไม่เคารบและมวดที่สี่ซึ่งหมวดปฏิจิกะว่าด้วยธรรมเนียมถ่ายอุจจาระปัสสาวะอ ล, ล้วนแต่เป็นธรรมเนียมที่พิสุจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นสมณะให้ตั้งอยู่ในสัมมณะารูปทางนั้นเลย เช่นหมวดที่หนึ่งเนี่ยที่ว่าหมวดสารูปนั้นมียี่สิบหกสีขาบทจัดเป็นสิบสามคู่นั้นคู่ที่หนึ่งว่าเพิ่งศึกษาทําความศึกษาว่าจักรนุ่งห่มเป็นปริมณฑลนี่ปริมณฑลนั้นกำหนดอย่างไรมณฑลปริมณฑลก็หมายว่านุ่งนะนุ่งต้องเบื้องบนปิดสะดือหมายถึงนุ่งสบงเบื้องบนนี้ให้ปิดสะดือเบื้องล่างปิดหัวเขา่าลงมาเพียงครึ่งแข้ง นี่หมายถึงการนุ่งนะการนุ่งหง่มก็าการนุ่งนุ่งสบงหรือนุ่งผ้าอันอันตรวสศที่เรานุ่งกันไม่ใช่ว่าบางองค์เนี่ยนุ่งเอาต่ำกว่าสะดือ่อให้ภูยู่ออกมาก็มีดูเรื่นะองนเกลียดนะยังงั้นก็มีหรือว่าสมณ น, นบางองค์เนี่ยซึ่งอยู่ในวัยนมก็กำลังคึกขนองหน่อยก็นุ่งกัน ตามลงมาจากสะดือนก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เบื้องล่างมันโคน่นในลากดินเลยนะยาวลากดินเลยอันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัเ็เสมเนนก็มักอย่าใช้เรื่งแปลกๆลากดินเดินที่เขาเรียกกันว่าอ่าเนนจิกโก้คือลากดินไปเลยก็มีแสดงอาการไม่น่าดูไม่น่าเรื่อมใส ฉะนั้นจะต้องนุ่งเป็นป ร, ริมณฑลเป็นปริมณังลังนีมาเสสสามิตริศขากริยาปริมณังปารูปิีสามิตริศขากริยาคือนุ่นะให้เป็นปริมณฑลเบื้องบนปิดตะดื้เบื้องล่างนั้นก็ให้ปิดหัวเขา่าแต่ให้อยู่ในระหว่างครึ่งแข้งนะให้อยายาวเกินไปยายาวเกินไปอย่าสูงเกินไปถ้าสูงเลยเข่ามาแล้วมันก็จะเหมือนกับสะเก็ดและจะเหมือนกับอะไรก็ไม่น่าดูอีกดังนั้นก็ต้องให้เป็นปริมณฑลหน่อย หรือการหม่มห่มที่เป็นปริมนฑนนั้นท่านก็แสดงว่าทํามุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันไม่ปล่อยให้ผ้าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังเรียกว่าให้มันเรียบร้อยในการเ อ, อหม่มนี่ทําเนียมที่เราห่มกันในบัดนี้แหละเราห่มกันยังไงในวัดนันห่มเฉียงบ่าส่วนเข้าบ้านหม่มกลุ่มอิดบ่าทั้งสองข้างนี่ที่เราใช้กันอยู่แต่ว่าอาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เลย การรุ่งอาการห่มนั้นก็วิวัฒนาการไปไม่เหมือนกันเช่นธรรมยุทธกับมหานิกายก็ห่มไม่เหมือนกันอมหานิกายก็อชอบห่มบิดลูปบวกเป็นมังกร เ, เรียกว่าบิดเป็นมังกรในอย่างนี้ก็มีอแล้วก็ธรรมยุทธก็ห่มตามธรรมดาที่เคยเห็นอย่างนั้นที่จริงก็เราก็ม า, มาว่ากันให้มันแปลกกันไปเอง การที่กินในพระวินัยก็เป็นปริมาณนั้นลังมีมาเสร็จแมีสิคัดเรียว่าให้รุ่งหอมให้เป็นปริมณฑลเทน่า น, นั้นจะรุ่งอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อเห็นไม่ตรงกันว่าจะต้องหอมกันอย่างไรพิจารณาสฐานต่างๆก็ก็ได้ความไม่ตรงกันแต่เราก็ยอมรับว่าให้เป็นปริมณฑลก็แล้วกันะก น, นะ่าอาจจะแบ่งว่ามหานั้นมหาธนิกายหรือมหาธรรมยุทธ์นั้นจะต้องห่มแตกต่างกันอย่างไร อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สําคัญอะไรมากมักเป็นเรื่องของการนุ่ง ห, มหนน่มใครจะน่ารุ่งแบบไหนหรือยังไงให้มันเป็นป ร, ริมณฑลแต่อย่าให้เป็นอย่างกระหัดที่จะต้องนุ่งกางเกงสวมกางเกงไม่ใช่อย่างนั้นแอบสวมเสื้อ อ, อย่างนั้นอันนั้นไม่ถูกต้องแต่ว่าห่มที่จะเป็นบิดมังกรหรือไม่บิดมังกรแต่มันเป็นป ร, ริมณฑลก็ใช้ได้เป็นป ร, ริมณฑลก็ใช้ได้เวลาเข้าบ้านก็ห่มปิดบ่าทั้งสองข้างหรือว่าอยู่ในวัดก็เฉวงไหลอย่างนี้ใช้ได้ให้เป็นปริมณฑลอย่าให้มันราก ดินเดินในล่ากดินไปด้วยอันนี้ก็ไม่พอทานั่นจะต้องให้เป็นปริมณฑลนะจึงจะถูกต้องใช้ได้เนี่ยสิกขาบทอ่าที่คู่ที่หนึ่งอในเสขียวัตรที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยก็เป็นธรรมเนียมอันดีงามของที่สุสัมภเในทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้มีระเบียบเรียบร้อยตั้งอยู่ในสนัมมนา ร, รูปที่ดีงามจึงจะนําความเลื่อมใสศรัทธามาสู่ได้ เป็นวันนี้ก็เวลาของเราก็สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนทั้งหลายที่กำลังศึกษาลัทธรรมชั้นตรีนี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกท่านเทิน